ใจกันในช่วงที่เราปฏิบัติในขณะที่เราฟังทำไปเราก็น้อมทำตรงนั้นแหละมากำหนดอันมีจิตที่จดจอ่อ แล้วก็น้อมทําเข้าไปแล้วสิ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองเห็นในสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของเราเองหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ให้เราได้รู้ ในสภาพธรรมที่มีอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้จักคำว่าใจของตัวเองก็ถ้าก็ว่าเราไม่รู้จักชีวิตตัวเอง แล้วทีนี้ก็เดินหาสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองไม่รู้เสอีกก็ทำให้เป็นเรื่องที่ยากไปอีกพระเจ้าเนี่ย ได้แสดงว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยดิ้นรนลับกรอกป้องกันยากห้ามยากแต่ก็มีอีกมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งทึ่เรียกว่าคนที่มีปัญญา สา ม, มารถดัดให้ตรงได้เหมือนในช่างสอนดัดลูกสรยมดูนะว่าไม้คดมนุษย์เราก็อามาดัดจะด้วยวิธีถากจะด้วยวิธีเอาไฟมามาลนก็ตาม ก็ต้องหาวิธีเหล็กคดมนุษย์ก็มีวิธีดัดให้ตรงแต่เวลาใจของคนคดย่อมมันมีเครื่องมือได้อย่าง ว, วิศวกรยังไม่ยังไม่ทำเครื่องมือมาดัดใจกัน ก็เพราะไม่รู้นั่นเองไม่รู้ดังนั้นใจของคนที่คดนั่นก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เดินไม่ตรงคำว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงต่อมรรคผล แสดงว่าพวกเราเดินไม่ตรงต่อมรรคผลเดินไม่ตรงต่ออริยมรรคกิริยผลเป็นผู้ที่ห้ามใจไม่ได้หยุดชั่วไม่ได้หยุดความ โกรธความโลภความหลงไม่ได้นั่นก็คือใจที่ไม่ตรงคดเคี้ยวเลี้ยวไปมามีความกระสับกระส่ายไม่ตรงพพุทธเจ้าเรา เหมือนกับเป็นผู้ที่ตื่นแล้วก็มาปลุกคนที่หลับให้ตื่นมาปลุกคนที่หลับให้ตื่นยมเคยเห็นการฝึกมาชั้นดีไหมมาที่ฝึกดีแล้วเนี่ย ก็ระวังตัวให้พ้นจากแท้ชั้นใดใจของผู้ที่ได้ฝึกได้อบรมมาดีแล้ว<ม>ก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของกิเลสน้อยใหญ่อุปกิเลสน้อยใหญ่จริงบอกว่า พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าที่กขา บ, บอกค่าอะไรที่ไม่ติดคุกค่าอะไรที่ไม่บาปก็ตอบได้เลยว่าค่าความโกรธไม่บาปไม่ติดคุกแต่ถ้าความโกรธมันฆ่าเราเมื่อไรมีสิทธิมีสิทธิติดคุกติดตาราง แล้วก็เป็นคนบาปมีมุลทินติดเข้าไปในชีวิตซึ่งหลายคนก็ยังท้าทายว่าบาปไม่มีหรอกวางแผนให้ดีบาปก็ตามไม่ทันแล้วเขาบอ ก, กเขาคิด แบบสมัยใหม่ก็บอกวางแผนให้ดีบาปก็ตามไม่ทันแล้วโยมเข้าใจบาปเป็นอย่างไรบาปก็คือใจที่มันร้อนใจที่มันเป็นอกุศลใจที่มันขุ่นคล่องมองมัวและเศร้าหมองและสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดสุขเลย อย่างน้อยก็คือความทุกข์โยว่าความทุกข์นี่เป็นบาปไหมความทุกข์เป็นบาปหรือเปล่าต้องพิจารณาด้วยจะมาจะไม่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องดูว่าเหตุของทุกข์มันเกิดจากอะไร เกิดจากกิเลส ข, ของเรามันก็มีส่วนแล้วที่จะทำให้บาปเกิดแต่ถ้าเป็นสภาพทุกข์ที่มีอยู่โดยสังขารร่างที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นเพียงสภาพทุกข์มันไม่ใช่บาปเหมือนเจ็บขานี่เป็นบาปไหมมันไม่ได้เป็น แต่ถ้าถาม่าการเจ็บขาถ้ามีอากุศลกรรมวิบากที่เราเคยเบียดเบียนสัตว์มาและกรรมนั้นให้ผลมันเป็นไหมอาหนาคิดอย่างไรก็ต้องพิจารณาเป็นเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆไปการรู้อำนาจความโกรธเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเราไม่ควบคุมตัวเอง มันอยากทำอะไรโยมก็จะทำไงเวลาพอเรามีความโกรธขึ้นโยมไม่รู้จากการห้ามใจเมื่อโยมไม่ห้ามใจที่ความโกรธโยมรู้อำนาจบันดาลให้เกิด การประทุสร้ายขึ้นมานั่นแหละมันก็ให้ความวิบัติอกุศลบาปเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถที่จะนำจิตของเราไปดูว่าถ้าสิ่งนี้เราทำอย่างนี้นี้นี้นี้นี้นี้ แสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นผลที่จะได้รับคืออะไรยมก็น้อมจิตไปก่อนซึ่งยังไม่ต้องทำเราสามารถจำลองได้เห็นหเวลาคนที่เขาจะสร้างอะไรในระดับสถาปนิกสถาปั ต, ตยกรรมอะไรก็แล้วแต่บางทีเขาจำลองขึ้นมาก่อนเขาจำลอง ภาพขึ้นมาหรือเขาสร้างเป็นมโนภาพหรือสร้างจินตนาการก่อนสร้างขึ้นมาพวกเราก็สร้างได้ก่อนที่จะทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยเราสามารถสร้างด้วยความคิดก่อนได้ยังไม่ต้องทำด้วยการกระทำ เราสร้างได้พอสร้างเสร็จแล้วก็มาบวกลบคูณหารกําไรบุญหรือขาดทุนเป็นบาปหรือเป็นกลางกลางไม่บุญไม่บาปเสมอตัวเราทำได้ฉะนั้นคนที่ใจที่มันวัยตอบ อารมณ์แห่งความโกรธหรืออารมณ์ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยน้าที่จะกำหนดจิตซัก่อนแล้วก็พิจารณาแล้วก็เดินไปสัก 929-39 กก่อนที่จะทำใช้ปัญญาของเราเดินไปก่อน หรือใช้การจำลองชีวิตจริงว่าถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่จะตามมาด้วยเหตุด้วยผลประยมกำหนดได้เนี่ยมันเป็นตราช่างที่ดีที่สุดและก็เมนยำที่สุดด้วยซึ่งไม่ต้องมีใครมาให้ข้อมูล ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจําลองเอาไว้แล้วเราได้ทําสิ่งนั้นไปได้วยการจําลองภาพนั้นก่อนจําลองความคิดก่อนจําลองเหตุการณ์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆยมเคยเห็นไหมเวลาส่วนราชการไม่ว่า เ, เรื่องของการฝึกซ้อมรบ เรื่องจับตัวประกันเรื่องการฝึกอักขีภัยอย่างเงี้ยหรือว่าฝึกเรื่องบัติเหตุเกิดขึ้นเขาฝึกแบบเป็นสนามจริงเลยนะคนไม่รู้ขับรถผ่านมาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนั่นคือการฝึกซ้อมหรือการจำลองเหตุการณ์จริงและให้สิ่งนั้นเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆนะ แต่มันเป็นได้แค่กระสุนยางมันตายแล้วก็คือเกมตายแต่ชีวิตจริงไม่ตายนั่นคือจำลองพวกเราก็จำลองได้เรียกคนปฏิวัติธรรมเขาจะมีมียานตัวหนึ่งที่สามารถเดินไปสู่อนาคตแล้วก็มองเห็น ด้วยวิธียานวิธีจิตวิธีความคิดและปัญญา น, นั้นฉาดสองเขามองเห็นหมดเลยทั้งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ที่จะเกิดจะเป็นจะปรากฏขึ้นถ้าจิตอย่างนี้อะตมาว่าคำว่าการบรรลุไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนั่นเองเมื่อก่อนตะตมาก็หานิพพ a น ังเลยนิพพานอยู่น้เดินหามคนหลงป่านิพพานอยู่น้หายไปกับสายลมนิพพานอยู่น้เดินหานิพพานจริงๆแล้วนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย นิพพานก็อยู่ที่ว่าจิตของเราหมดกิเลสได้ไหมเอาสั้นที่สุดจิตของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มองใจหมดจากเสี้ยนนาภายในคือใจของเราเองเราจะไม่เจ็บคำว่าคว่าใจอีก เจ็บได้ก็แค่กายแล้วบอกเจ็บได้ก็แค่กายใจไม่เจ็บเจ็บแบบไม่มีความโกรธความเจ็บมันจะถูกซ่อนมาทุกครั้งสังเกตไหมยมสังเกตถ้าเมื่อไรโยมรู้สึกเจ็บ มันจะมีอารมณ์ซ่อนเข้ามาแล้วมันจะบอกโยมว่าเจ็บนี้อีกนานดิที่เจ็บลึกกว่าใครเจ็บนี้ต้องจำบ่กโอ้ยความจริงเนี่ยความเจ็บมันไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่ควรจะระลึกเอาไว้แต่ว่าบอกความทรงจำจำมีไว้สำหรับสิ่งที่ดีเท่านั้นเราจะไม่มีสำหรับความเจ็บ หรือความเสียใจหรือความโกรธแค้นความผูกใจพยาบาทอย่างนั้นถือว่าจิตเดินไม่ตรงตมารู้แล้วเมื่อวานเพิ่งเจอมาด้วยตัวเองหัวไปฟาดโต๊ะหัวนโนเลยโยมอย่าบอกใครนะอายเขาตมาก็เลยพูดเป็นตามะขนาดอยู่คนเดียวในห้อง ไม่มีใครมาทำเราเรื่องมันจะเกิดมันก็เกิดได้บางคนเดินล้มในห้องน้ำาบางทีไม่ไม่ได้รื่นไม่ได้รื่นแต่ไปสะดุดเท้าก็ได้หรือไปสะดุดพรมก็ได้หรือขามันอยู่เปี้ยไปกำลังไม่มีแล้วแต่จะเป็น หรือเกิดจากความประมาทก็ได้ดีหัวไม่แตกแต่ก็หัวโนพอสมควรทำให้สะตอได้มั้งก็เลยบอกเออขนาดอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเบียดเบียนให้ร้ายทำรายเราก็ยังเจ็บัวได้เออ ให้บางคนออกกำลังกายวันนี้กล้ามเนื้อฉีกได้เห็นหเป็นได้หมดมันก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราประมาทอายุมันก็สั้นเร็วหน่อยแต่ถ้าเราไม่ประมาทก็ก็อยู่ไปตามเหตุ จะบอกเออขนาดอยู่คนเดียวมันก็เจ็บตัวได้เห็นไหมโยมแล้วต่มาก็ชื่อวา่าโยมก็เคยเจ็บตัวเดินเดิ น, ดนสะดุดเต็มที่เลยบางทีข้อศอกบ้างบางทีไม่โดนอะไรหรอกโยมโดนประตูตัวเองนะ่ะหนีบเคยโดนลิ้นชักหนีบมือไหมอย่าบอกไม่เคยโดนต้องมีบางทีโดนประตูกระแทกเอู้ บางทีคนเดินชนเอ้าบางทีเราก็ไปเตะวัสดุสิ่งของเห็นไหมนี่ตัวเองแท้ๆเลยนะบอกเออคนบทมันจะเจ็บตัวมันมีเหตุเ ห, เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ประมาทแต่มันก็มีสิทธ ก็บอกเออเจ็บอย่างนี้เราก็ไม่โกรธเนาะเจ็บแค่กายถ้าหัวแตกแตกก็แตกไม่ได้โกรธแตกก็คือแตกดังเหมือนลูกมะพร้าวตกดังบึมดีดโต๊เขาลบเหลี่ยมอย่างดีไม่เง้นป่านเช่นชนี้อาจจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไปที่ยมพยาบาลก็ไม่รู้อยมจะไปฟังเทศต่อไหมละ่ะก็ไปเองได้กัน เนี่ยมันมีธรรมะว่าเออเจ็บมันเจ็บแค่กายใจเราไม่เจ็บธรรมะเป็นอย่างนี้เองเจ็บที่ไม่มีโลภโกรธหลงเออใช้ได้ต่อไปถ้าเรามองอะไรที่ไม่มีโลภโกรธหลงมันก็ดีเห็นหั้มมองไม่มีความโลภความโกรธความหลง ได้ยินแบบไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้กระทบสัมผัสสิ่งใดไม่เกิดความโลภโกรธหลงอาจจะมาว่าโยมไม่ต้องไปเดินหานิพพานแลนิพพานาก็คือใจของเราที่เราสามารถปล่อยวางปลดปล่อยไม่ว่าสัตว์บุคคล ตัวตนทั้งเราทั้งเขาถ้ายิ่งเรายิ่งเข้าใจในการเดินไปสู่วิถีจิตอันมียานวิถีที่นาออกไปก่อนที่เรื่องนี้เราจะทําและบางครั้งอาจจะรู้ว่าเรื่องจะเกิดแต่ต้องบอกก่อนนะคนที่จะรู้ ในอนาคตที่เรื่องจะเกิดคนนั้นต้องหยุดใจได้แล้วนะถ้าหยุดไม่ได้ไม่รู้จยดีกว่ามันทุกข์นะคนนี้จะตายคนนี้จะเจ็บเราจะต้องเป็นนี่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้โหยิ่งกินนอนไม่ได้เลยฉะนั้นวิถีจิตของใครที่สามารถรู้ด้วยวิถีญาณก่อนเรื่องทั้งหมดจะเกิด จิตตรงนั้นเนี่ยมันต้องวางแลวนะมันมันก็อะไรจะเกิดสุดที่จะหลีกลี้หนีกรรมแล้วมันก็เกิดเกิดแบบใจที่พร้อมให้เกิดด้วยนะมันแปลกตรงนี้ยมพร้อมไหมเรื่องจะเกิดแล้วเนะี่ย โอ้ oh, ถ้ารู้นะโยมไม่รู้จะดิ้นจะเต้นไปถึงไหนถ้าจิตของเรามันยังยังไม่พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่จะเกิดทุกข์ไดนะ้ความทุกข์นี้ไม่รู้ใช้กี่คูณเข้าไปนะทุกข์มากแต่ถ้าเราเข้าใจแล้ว มันเหมือนก็รู้ว่าเจ้านี่นัดกันแล้วว่าเขาจะมาวันนี้โยมก็อาบน้ำรอเลยป่าแป้งด้วยเปิดประตูไม่ต้องล็อกก็ปเปิดขึ้นบอกเชิญค่ะมีจ่ายเขไม่ถ้าไม่มีจ่ายก็ต้องเตรียมเจ็บตัวแล้วก็ถือว่ายมผิด ผิดกฎนี่ต้องจ่ายเมื่อไม่มีจ่ายดอกมันเพิ่มมันเพิ่มดังนั้นใจของผู้ภาวนาเนี่ยกราบใดที่ยังหวั่นไหวอยูย่ต้องบอกเลยว่าเรายังหวงตัวตนมากไป และคำนี้มันเป็นยางเหนียวนะตัวตนโยมยำ บ, บอกว่าตัวตนของโยมนี้มันไม่ใช่ยางเหนียวแต่บอกยิ่งกว่ายางเหนียวอีกมันเสมือนชีวิตของตัวเราที่เราไม่ยอมไม่สิ่งใดมาทำลายให้ร้ายหรือมาต้องให้เราเกิดความร้อนใจทุกข์ใจเลยหรือทุกกายด้วยเราจะพยายามปกป้องให้มากที่สุดอันนี้ถูกต้องนะ ด้วยสัญชาตญาณไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์และคนที่เรารักด้วยไม่ใช่แต่ตัวเราแต่โยมรู้ไหมว่าชะตาชีวิตโยมไม่ใช่เป็นผู้ลิขิตไม่ใช่โยมเป็นผู้กำหนดทุกอย่างและเราก็ไม่สามารถที่จะให้มันเป็นเหมือนที่ใจเราอยากให้มันเป็น หรือต้องการให้มันเป็นมวลชีวิตที่เราจะเป็นไม่ได้ถ้าต้องการอย่างเงี้ยบ้าไปเยอะแล้วที่ไปดูบา้บาๆเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธความจริงและก็ยอมรับไม่ได้แม้สิ่งนั้นจะเกิดเหมือนเขาว่าสิ่งนี้หลอกเขา แต่จริงๆเขาหลอกตัวเองต่มาเคยเจอที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีแม่อยู่คนหนึ่งลูกดีดีเรียนจบมิศวะกตัญอยูมากจนถึงกับซักผ้าให้แม่เงินเดือนได้มาเท่าไหร่ก็มอบให้แม่หมดเลิกงานก็รีบกลับบ้านดูแลแม่โอ้โห อยู่ๆโดนรถชนตายอยู่หน้าบ้านแม่รับไม่ได้สองปีสามปีผ่านไปแล้วก็บอกลูกยังไม่ตายเดี๋ยวลูกก็กลับพูดอย่างไรเขาก็ไม่รับฟังคำอื่นเขาฟังไม่ได้เลยเขารู้แต่ว่าเดี๋ยวลูกจะมาลูกยังไม่ตายเห็นไ่าโยม คือเขายอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็ปฏิเสธความจริงแต่ชีวิตมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่และในที่สุดประสาทก็หลอดจะกินจะนอนก็คิดถึงหมด <c oughs> ประสาทเสีย หรือบางคนยอมรับความเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนดีขึ้นนะเปลี่ยนแล้วมันสภาพชีวิตฐานะมันตกต่ำลงก็นึกแต่ว่าเราเคยสุขเคยสบายเคยมีเกียรติเคยมีชื่อเคยมีอย่างนั้นเคยมีอย่างนี้บางครั้งคำนิยามก็น่าใช้ได้ว่าชีวิตเหมือนความฝัน ใช้ได้นะบางโอกาสโยมก็มีสิทธิ์ฝันได้ชีวิตอยากจะเป็นอะไรอย่างที่ก็ฝันไปสักพักหนึ่งพอได้สติก็ไอเสหน่อยเออนั่นนะชีวิตจริงทะ่นั้นถ้าเรามีวิธีจิตที่รู้จิตมันต้องว่างได้โยมจะได้อะไรมาก็ไม่ดีใจมากเกิน ว่าสติที่มีธรรมะรู้อยู่แม้จะเสียอะไรไปก็ไม่เสียอะไรมากเกินกว่าสติที่รู้อยู่หรือไม่ได้ไม่เสียจิตก็รู้อยู่ในการปล่อยวางก็ต้องถามว่าพวกเราเนี่ยปฏิบัติแล้วถึงเวลานี้ พวกเราเข้าถึงความจริงแค่ไหนรู้จักชีวิตจริงแค่ไหนและก็ยอมรับสภาพความจริงที่มีอยู่แม้จะจำเจจำใจจำยอมจำจากโยมมีธรรมะแค่ไหน แล้วเรารักษาจิตได้อย่างไรตอนนี้ย่อมต้องดูด้วยดูจนรู้สึกว่าโลกใบนี้แม้เราจะได้อะไรมาทุกอย่างสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยวางแม้เราจะเสียอะไรทุกอย่างในโลกใบนี้สุดท้ายใจก็ต้องปล่อยวาง แม้เราไม่ได้ไม่เสียอะไรมาท้ายที่สุดจิตนี้ก็ต้องปล่อยวางมันมีค่าอยู่เท่าเดิมคือความว่างเปล่าชีวิตเนี่ยจริงๆชีวิตของเรามันเหลือเพียงว่าความว่างเปล่าแต่เราไปไม่ถึงเรามีกำว่าตัวตนพระอาหารหันต์พุทธเจ้าเขาทำเสร็จแล้วคือความว่างเปล่าแต่กว่าจะเข้าใจคบว่า ความว่างเปล่านมันไม่ใช่นั่งวงว่างนอนว่างๆเดินว่างๆยินวงว่างๆไม่ใช่มันว่างเปล่าจากความยึดมั่นหมายในชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายแต่เรามีชีวิตอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นแผนซ้อนเข้าไปในแผนตรงนี้เรามาจะใช้คําว่า คำนิยามในชีวิตที่ไม่มีชีวิตในจิตใจที่ไม่มีจิตใจในอารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์เป็นคำนิยามของธรรมะในตัวตนที่ไม่มีตัวตนในสิ่งที่สัมผัสไม่ได้มีอยู่ในการสัมผัสที่ติดอยู่ในใจตรงนั้นท่นโยมจะจับต้องสิ่งใด ใจต้องไม่มีตรงนั้นแต่ยากยากที่เราจะเข้าถึงอย่าบอกจับไฟไม่ร้อนนะร้อนใครบอกจับไฟไม่ร้อนมาบอกกุณไม่บรรลุธรรมจริงใครจับน้ำไม่เย็นแต่มาบอกคนนี้ไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะบรรลุไม่ใช่ปฏิเสธว่าไฟร้อนหรือน้ําเย็นไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิเสธดินน้ําลมไฟมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็ทําหน้าที่ไปยมจุดไฟใส่อะไรมันก็ไหมตรงนั้นนี่คือหน้าที่ของไฟ หน้าที่ของน้ำยมเอาน้ำมาล้างอะไรมันก็ชำระสิ่งนั้นเขามีหน้าที่ของเขายมไปเปลี่ยนไม่ได้แต่หน้าที่หนึ่งที่เรียกว่าหน้าที่ของใจคำนี้สาคัญยมรู้จักหน้าที่ของใจแค่ไหน พระพุทธเจ้าศึกษาบำเพญ็ญค้นหาใจโดยหน้าที่แล้วเสร็จแล้วก็วางใจตรงนั้นเป็นการเกิดที่สมบูรณ์ที่สุดยมดูนะเดีย๋ยวจะมาจะแสดงให้ฟังยมดูพระพุทธเจ้าเรา พระองค์ทําหน้าที่เมื่อหลังจากเอาว่าเมื่อหลังจากตรัสรู้เป็นพระุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเราทําหน้าที่ความเป็นพระพุทธเจ้าจนเห็นว่ากิจของพระองค์นั้นได้ทําหน้าที่อันสมบูรณ์แบบจนโปรดตั้งแต่เริ่มจากปฐมเทศนาปนัญญาคีจนถึงท้ายที่สุด ก่อนปรินิพานพระองค์ได้แสดงธรรมตลอดจนถึงนาทีสุดท้ายของการแสดงธรรมเรียกว่าปัชิมโอวาสและพระองค์ก็วางหน้าที่ของพระองค์ ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์แล้วหน้าที่อื่นยิ่งกว่าไม่มีแล้วาศาสนามั่นคงแล้วพระพุทธเจ้าก็ว่าวางภาระอันหนักหนวกจบตรงนี้และวางจิตอันมีความ มั่นหมายในสัตว์ในบุคคลในตัวตนในคำเมื่อเราและเขาจิตตรงนั้นพุทธเจ้าเรานะเป็นมุนีผู้มีสระยูนเหนือยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ว่าจะเอาร่างกายมาพูดมันก็ไม่มีอะไร จะเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตมาพูดมันก็ไม่มีอะไรเอาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีอะไรเจ้าเหตุเอาผลมาพูดไป็นส่วนอนาคตอีกจิตนั้นก็ไม่มีอะไรพระองค์ได้วางสรรพสิ่งทั้งหมดแล้วจิตตรงนั้น ไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องผูกและไม่มีสิ่งผูกยึดด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเราได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์แบบเหมือนพวกเราเกิดมากับใครทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำไปใครมีหน้าที่เรื่องการงานก็ทำไปใครมีเรื่องธุรกิจอะไรข้างๆอยู่ทำไปใครมีหนี้สินต้องสะสางทำไปแต่พอถึงจุดหนึ่ง ต้องถามว่าท่านรู้ไม่ว่ากิจที่ท่านทําแล้วมันสมบูรณ์ที่ท่านจะต้องวางได้แล้วถ้าตอบไม่ได้นิพพานไม่มีท่านจะหาไม่เจอเพราะนิพพานไม่ใช่ตัวตนนิพพานไม่ใช่ของเราของเขาแต่คำว่านิพพานคือจิตที่มันดับแล้ว จากเครื่องผูกทั้งหมดจิตดวงนี้มันได้ดับถ้าพูดเป็นภาษาพวกเราว่าจิตดวงนี้มันได้ตายไปจากสิ่งต่างๆร่างกายถ้าตายมันก็สิ้นสุดใช่ไหมมันหยุดทุกอย่างแล้วในการเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีอีกจิต ก็เช่นเดียวกันเมื่อดับจากอุปกิเลตน้อยใหญ่อันเป็นสิ่งที่ผูกใจไว้ทั้งหมดดับแล้วนะจิตนั้นก็ไม่มีมันเหมือนคำหนึ่งที่าศาสนาเซนเขาใช้เขาบอกว่า เมื่อไม่มีต้นโพใบโพก็ไม่มีเมื่อไม่มีใบโพท่านก็ไม่ต้องกวาดใบโพอีกแล้วมันจบโดยไม่ต้องอาธิบายหรือบรรยายมันสรุปโดยไม่ต้องสรุปเมื่อไม่มีต้นโพใบโพก็ไม่มีมันจบอย่างนี้ ในเมื่อทุกอย่างมันดับแล้วความเกิดก็ไม่มีจึงเรียกว่านิพพานตราบใดพวกเรายังมีชาติแห่งความเกิดอยู่ยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงฉะนั้นการบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาของพวกเรา ต้องเดินให้ตรงต่ออริยมรรยาผลเป็นเรื่องกิ่งว่าทุกคนนะ่มีภาระมีธุระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีเหตุมีผลมากมายที่จะเอามาพูดให้จบทั้งความรักความชอบความเกลียดความชังทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจนล้นหัวใจนะแต่สุดท้ายของใจ ท่านบอกได้ไหมว่าท่านได้เสร็จสิ้นภาระธุระชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายเราได้ทำกิจอันเป็นหน้าที่ของเราพอสมควรแล้วพอแต่เหตุแล้ววัดนี้จิตของเราได้วางเราจะมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานถึงเวลาโยามต้องบอก อย่าถามอีกนะว่าจิตยมสงบได้ยังต่มาไม่ตอบแค่ไกรถามต่อมายมจะได้บรรลุไหมแต่มาจะไม่ตอบยมจะได้เห็นธรรมห้แต่มาก็จะคงไม่ตอบยมยังไม่เข้าใจหัวใจที่มันเป็นทุกข์อยู่เลย โยมยังไม่กำหนดรู้เดอทุก์ที่มันเกิดคืออะไรต้องรู้เราจะมาทนอยู่กับความเกิดที่เป็นทุกข์อยู่ไม่รู้จบมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เกิดมาเพื่อทุกข์แล้วตายไปสู่ความทุกข์อีกมันไม่ใช่นะ กูจะบอกชาติปีตุกขาความเกิดเป็นทุกข์และเราเจอเกิดจนถึงความตายที่ต้องเป็นทุกข์อีกเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ฉะนั้นมรดกสมบัติทั้งหมดในโลกใบนี้ถึงจะเอามากองสูงพเนินเทินทึบสักเพียงใดเพียงไหนก็ตาม มันไม่มีความหมายสำหรับคนต้องตายหรอกเชื่อธรรมาดชในเวลาที่จะต้องตายสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามากองสักเพียงใดมันก็ไม่ใช่สิ่งนั้นมันก็ยังไม่ดับทุกมันยังไม่ดับ ก็แสดงว่ามันยังดับไม่ได้ฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้ายังดับไม่ได้โยมต้องใช้ปัญญาใหม่ละกลับไปสู่ความเกินสักรอบหนึ่งและพิจารณาใหม่ ในเมื่อความเตอในเมื่อความเกิดคั่วความตายยมทำอย่างไรให้ความตายนั้นไม่กลับไปสู่คำ ว, ว่าความเกิดยมต้องแก้ความเกิดให้ได้ถ้ายมแก้ไม่ได้ไม่รู้จบทุกไหนหยดน้าทุกหยดบนฟ้าฟ้าสุราลัยตกลงสู่พื้นดิน มันยังมีที่ไหลสิ้นสุดไปลงรวมหยุดอยู่ที่มาสมุดเป็นที่หมายแต่ความเกิดในภพภูมิชาติอันเดียวใดสุดท้ายจุดจบความตายสุดสิ้นหยุดลงตรงไหนมันไม่ใช่มาสมุดตรงนั้นแต่ามานั่งกำหนดจึงรู้ สุดท้ายสิ้นสุดหยุดอยู่ที่ใจตัวเองเหมือนกันเกิดกันที่นี่ตายกันที่นี่คือเกิดดับฉะนั้นคนภาวนาเจริญวิปัสสนาต้องกำหนดให้ได้ว่าจิตเกิดดับอย่างไรนักเคมีพวกฟิสิกส์ตั้งๆดีเขานั่งดู การแปลสภาพของปฏิกิริยาในสิ่งที่เขามาผสมในสารต่างๆในชีวะที่จะเกิดพวกเราก็เป็นผู้ที่ศึกษาเป็นนักวิชา ในเรื่องค้นหาในภพภูมิน้อยใหญ่ในชาติชรามรณะในโสกาบ ร, ริเดวทุกขโทมณนัตอุปาญาทั้งหมดเนี่ยพวกเราเรียนและก็ศึกษาพร้อมทั้งค้นหาโดยเฉพาะพลังงานสูงสุดก็คือพลังงานที่อยู่ใต้แสงอาทิตย์ก็คือจิตของตัวเอง ดูแลจะมาผ่านดอนเมืองทุกครั้งอดพูดไม่ได้เหล็กมันบินได้เก่งจริงๆมนุษย์เราเหล็กบินได้อัศจรรย์จริงถ้าพูดสมัยก่อนเขาว่าบ้าแต่ตอนนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิศวะทางนอกตกรรมของ ความเจริญในทางทางเทคโนโลยีเอาโลหะบินได้ลงได้บินได้เก่งแต่ก็มีตายทุกปีมีมีกำกับลงท้ายให้ด้วยก็มีการสูญเสียชีวิตทุกปีเหมือนกันไม่มากก็น้อยในทั่วโลกนี้มีข่าวทุกปี ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็สุดแล้วแต่แต่ก็เห็นว่ามีผู้ตายแสดงว่าความเก่งของมนุษย์เรามันก็ยังมีขุนมีททษ อ, อยู่สิ่งที่มนุษย์สร้างมาทุกอย่างมันก็บรนดาบสองคมจักรยายนยนต์รถยนต์ปีเป็นนั่นก็ ต้องบอสตายนับแสนถ้าเอาทั้งโลกมารวมกันตัวเลขแล้วก็บาดเจ็บอีกอีกเป็นล้านนี่คือนวตรกรรมในความสมัยใหม่ที่มันมีโทษอยู่ในจุดหนึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้ตรงนี้ต้องพูดเป็นกังกลางทุกอย่าง มันมีคุณมีโทษแต่ก็ยังอดยกย่องสันเสริญว่ามนุษย์เราเรานี่เก่งทำให้เหล็กลอยบินได้นกคงจะประหลาดใจมากแล้วก็บินเยอะด้วยแต่มอีอย่างหนึ่งที่สงสัย คนนั่งอยู่ในเครื่องใจของเขาทำไมดับทุกข์ไม่ได้สงสัยทุกครั้งผู้สร้างเองก็ยังดับทุกข์ไม่ได้นับวันมันเป็นผลประโยชน์ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นในอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกธุรกิจยิ่งใหญ่ก็มีความตายเป็นเดิมผัดก็สงสัยอยู่อย่างว่าทำไมเหล็กบินได้ทำจนสำเร็จแต่จิตมนุษย์แท้ๆ ท, ทำไมเราจะดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร สมัยก่อนเขาหอกันถ้าพูดยุคนี้ก็ว่าบ้านิยายเรื่องเล่าก็สมัยก่อนพวกเราถ้าพูดว่าเหล็กบินได้พวกเราก็ว่าบ้าแต่สมัยนี้เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าพูดว่ามนุษย์พระอระหันต์พระปัจเจกิญพเจ้าของเรานี้บินได้หอได้ คนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าประสาท ห, หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านี้มันมีมาแล้วมันมีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าคนในยุค ที่เห็นที่มีที่เจอที่เจอยุคนั้นการสมัยมันได้ผ่านไปการเวลาได้ผ่านไปได้กลืนสิ่งเหล่านั้นไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเอาละจะมาพูดตรงนี้ให้เสมอกันสมัยก่อนถ้าพูดว่าเอาเล็กมาบิน ยมก็ว่าประสาทหรือเปล่าตอนนี้เล็กบินได้ถ้าพูดเมื่อห้าร้อยปียมเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกแต่บินได้เมื่อก่อนเขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นอาวุธทมสงครามกันเดี๋ยวนี้ก็เอามาเป็นการเดินทาง แต่สมัยก่อนย้อนไปยิ่งหลายปีคนบินได้คนหายตัวได้คนดำดินได้แต่ยุคนี้เขาไม่เชื่อมันก็เลยเป็นสับยุคกันเอาสรุปว่ายุคไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของมนุษย์ ยังไม่พ้นทุกทำอย่างไรให้พวกเราเนี่ยได้ค้นหาจิตที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยมสังเกตดูไหมว่ามนุษย์ก็จะมีอยู่หลายจำพวก จำพวกหนึ่งเขาจะไม่เกรงกลัวต่อแม้แต่คาว่าบุญบาปแต่จะยำเกรงในเรื่องของโทษทางกฎหมายอาญาอีกจำพวกหนึ่งเขาจะเกรงกลัวแม้แต่กฎหมายและเรื่องของบาปอีกจำพวกหนึ่ง คือไม่เชื่ออะไรซะเลยเหมือนคนไม่มีศาสนาน่ากลัวนะคนเหล่านี้เขาทำชั่วได้ทุกเรื่องจนแม้แต่กระทั่งเขาว่าพ่อแม่ไม่มีคุณด้วยที่เกิดมาเพราะความใคร่ของตันหาเขาบอกเขาเป็นเหยื่อของตันหาที่เกิดมาเขาจะไม่ยอมรับคาว่าบุญคุณ เขาคิดได้แค่นี้จริงๆนะน่ากลัวความคิดอย่างนี้และคนเหล่านี้เองก็ไม่มีศาสนาอีกเขาจะไม่ยอมรับสิ่งใดเลยนอกจากความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิและเป็นมิจฉาที่มากคือด้วยมานะทิฏฐิความถือด้วยความถือในความเห็นของตัวเอง เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่อันตรายอย่างนี้อันตรายและยมรู้ไหมว่าทุกวันที่พวกเราอยู่กันตรงเนี้ยหรือบางอย่างมีจำพวกหนึ่งเชื่อในสิ่งผิดอีกเชื่อ่อย่างงมงาย บางคนเชื่อว่าทำสิ่งที่ชั่วร้ายจะกลายเป็นดีเหมือนบางคนที่เขาใช้สังเวยชีวิตเพื่อได้ความบริสุทธิ์ให้ให้กับตัวเองหรือบูชาเทพเจ้าแล้วก็ฆ่าอีกชีวิตหนึ่งมันไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยสรุปว่า ความเห็นมนุษย์เหล่านี้มันมีหลากหลายพูดมาให้มันใกล้ตัวเหมือนพวกเราที่ปฏิบัติธรรมกันบางคนเขาก็ว่าพวกเรานั้นสิ้นคิดงมงายเชื่อในสิ่งที่ไม่มีตัวตนกับบอก บางคนก็บอกเขาจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เขาเชื่อเหล้ากินแล้วเมาเขาศรัทธานในเหล้าก็าบอกกินแล้วเมาทุกครั้งก็บอกนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งนี้เชื่อได้ว่ามีผลแต่มาฟังก็เฉยๆเขาบอกก็แลแต่โยม แต่ตมาบอกว่าคติการเมาไม่เป็นสุคติเป็นเพียงได้แค่ทุคติเช่นให้กรรมวิบากของโยมเองสอนโยมเองเมื่อไม่มีสิ่งใดจะสอนได้คนเหล่านี้จะต้องถูกโทษทันสถานเดียวและความเจ็บปวดอันทุกเวทนาทั้งหมดจะสั่งสอนเขา พบแล้วพอเปล่าถูกสั่งสอนไปเรื่อยๆถูกทรมานทรกรรมไปเรื่อยๆจนที่สุดเขายกมือไหว้หาที่พึ่งหาที่ออกหาทางออกวันนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรเป็นที่พึ่งเชื่อไหมอะไรผ่านหน้ามายกมือไหว้ได้หมดเหมือนคนจะจมน้าตายแลว จากที่เคยอาหาัาางการบำมังกาว่าตัวเองแข็งแรงไว้น้ําเก่งได้ชัยชนะมาเกิดตะคิวกินหมดแรงขึ้นอยู่กลางแม่น้ําเชื่อไมว่าสวะรอยน้ําก็จะเกาะมันไม่ต้องพูดถึงศักดิ์ศรีท่านั้นพูดถึงว่าอะไรที่เขาจะเกาะยึดได้เขาจะเกาะแต่ถามว่านั่นที่พึ่งหรือเปล่าบอกไม่ใช่ ฉะนั้นมนุษย์คนเราที่เกิดมาสุดท้ายท่านจะมีความเชื่อความเห็นแบบไหนก็ตามมาลงเอยที่ว่าท่านต้องหาที่พึ่งและเป็นที่พึ่งอันเป็นแดนกระเส็บแน่นอนที่สุดจะกลับมาสู่ว่าศีลสมาธิปัญญา โลกใบนี้ทั้งหมดมนุษย์ที่กำลังฆ่ากันแย่งชิงกันต่อสู้กันเมื่อหลังจากชีวิตที่จมอยู่กับตัณหาวิชาแล้วจะเดินมาสู่ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเชื่อจะมาไม่มีใครที่จะหลุดออกจากวิธีนี้ไปได้ในที่สุดต้องหาที่พึ่ง ก็หาทิพย์และตมาก็เชื่อว่าพวกเราในที่นี่หรือผู้ฟังทั้งหมดก็เคยเป็นดังที่เล่ามาแต่เดี๋ยวนี้ทิฏฐิความเห็นทั้งหมดมันได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นเพราะทุกบีบคั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือเป็นเพราะ เราได้ฟังธทมหรือเป็นเพราะความเกิดของเรามากด้วยภพชาติน้อยใหญ่ทำให้เราได้สติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็มาสแสวงหาคือความจริงสิ่งประเสริฐสุดเช่นมนุษย์หลายคน เราเกิดมาเริ่มที่จะหลอกคนอื่นแต่สุดท้ายก็คือเราหลอกตัวเองเพราะเราพูดสิ่งไม่จริงว่าจริงและไม่มีใครดีใจพอได้มารู้ถึงความจริงทุกคนจะรู้สึกว่าเราสุดท้ายคือคนผิด และจะเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องบำเพ็ญจิตของตัวเองใหม่ไม่เช่นนั้นพวกเราจะเหมือนตกอยู่กับกองไฟที่มีหน้าที่เผาไหม เชนโยมทุกคนนักภาวนาทุกคนพยายามตั้งสติกำหนดจิตและก็อะไรที่มันไม่ตรงเราห้ามใจไว้อาจมาบอกว่าสักครู่ไงว่าก่อนจะทำอะไรให้จำลองไปก่อน ใช้วิจนายาณไปก่อนใช้ความเห็นความคิดไปก่อนว่าทำอย่างนี้โทษมีอะไรทำสิ่งนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมองให้เห็นความจริงที่จะตามมาก่อนอย่าคิดว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ตามมาทุกอย่างชีวิตมันมีเงาอยู่มันตามตัวพยมอ่านเรียบร้อยเสร็จ ตัดสินใจให้ดีมันเป็นธรรมหรือยังที่จะทำมันเป็นฝ่ายในที่เราจะทำพิจารณาให้เรียบร้อยอ่านให้ดีมองให้ชัดเจนแลโยมเลือกชีวิตของโยมโยมต้องเลือกเองอย่าให้คนอื่นเลือกเรา ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรือเราต้องไปเลือกคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นได้ก็เพียงแค่ไม่กี่เรื่องดาะนั้นการตัดสินใจเนะี่ยมันเป็นชีวิตของตัวเราพยายามพิจารณาให้เยอะและยอมจะเห็นภาพที่จะเกิด เหตุการณ์ที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดจิงชาว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานาก็คอยยุติการบรรยายนะแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร